ตามหลักธรรมคำสอนของพาอาาระอรหันต์ัสมมาสัมพุทธเจ้าที่พึ่งทางใจมีอยู่สองแบบด้วยกันคือหนึ่งพุทธทางธรรมังสังคังสารนังกัจฉามิพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นสาระเป็นที่พึ่งของใจสองอัตตาหิอั ต, ตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนทําไมจึงต้องมีที่พึ่งสองแบบด้วยกันเพราะใจมีสองแบบด้วยกันนั่นเองคือหนึ่งใจที่เป็นที่พึ่งของตนได้แล้ว สองใจที่ยังเป็นที่พึ่งของตนไม่ได้ใจที่ยังเป็นที่พึ่งของตนไม่ได้ไไดก็ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนทำไมต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะใจที่ยังพึ่งตนเองไม่ได้นั้นเป็นใจที่ยังไม่สามารถที่กำจัดความทุกข์ต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจากใจได้นั่นเองจึงจำเป็นต้องพึ่งผู้ที่รู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆได้แล้วคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าบุคคลเหล่านี้คำสอนของบุคคลเหล่านี้เป็นคำสอน ที่จะทำให้ผู้ที่ไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์ต่างๆทางใจให้สามารถดับความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ดังนั้นเมื่อยังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ทางใจได้ด้วยตนเองถ้ายังมีความทุกข์รุ่มราวจิตใจอยู่เรื่อยๆก็แสดงว่าจำเป็นที่จะต้อง เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นครูบาอาจารย์ที่จะสั่งสอนให้รู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจใจนี้ก็เป็นเหมือนกับร่างกายร่างกายก็มีที่พึ่งสองแบบด้วยกัน ตอนที่เป็นทารกตอนที่เป็นเด็กเล็กยังไม่สามารถเป็นที่พึ่งของตนได้ก็ต้องพึ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้หลักผู้ใหญ่ไปก่อนต้องให้พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ ป, หหหญปู่ย่าตายายคอยเลี้ยงดูเพราะตนเองยังไม่สามารถเลี้ยงตนเองได้ แต่พอจเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงดูตนเองได้ก็ไม่ต้องอาศัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้หลักผู้ใหญ่มาเลี้ยงดูอีกต่อไปใจก็เป็นเหมือนกับร่างกายใจของปุถุชนคือพวกเราทั้งหลายนี้ รือว่ายังเป็นเด็กเล็กอยู่เป็นเด็กที่ยังไม่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ให้ปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆได้จึงต้องอาศัยผู้ที่รู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วมาเป็นผู้คอยสั่งคอยซ่อนคอยบอกวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจากใจถ้าไม่เข้าหาผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกเราจะไม่มีวันรู้ได้เลยว่าวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆนั้นกำจัดให้หมดสิ้นไปได้อย่างไรถ้าเราไม่เข้าหาเราก็จะกำจัดความทุกข์ด้วยวิธี เพิ่มความทุกข์ให้กับเราไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้สึกตัวเพราะว่าวิธีที่เรากำจัดความทุกข์นั้นมันกำจัดได้แบบชั่วคราวเท่านั้นกำจัดได้เดียวๆแล้วเดียวความทุกข์ใหม่มันก็จะกลับมารมเล้าจิตใจเราอยู่เรื่อยๆวิธีที่เรากำจัดความทุกข์ของเราเองนั้นก็คือเวลาเรามีความทุกข์ เราก็วิ่งหนีกันวิ่งไปหาความสุขเช่นเราอยู่บ้านเรามีความเหงามีความว้าเวเราก็ออกไปเที่ยวกันเวลาเราไปเที่ยวกันเราก็สนุกสนานเพลิดเพลินแต่พอเรากลับมาอยู่ที่บ้านไม่นานเดี๋ยวความเศร้าก็จะปรากฏขึ้นมาใหม่ความเหงาความว้าเวก็จะปรากฏขึ้นมาใหม่ นีไม่ใช่เป็นวิธีที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆเพราะจะเป็นวิธีสร้างความทุกข์ให้มีขึ้นไปอยู่เรื่อยๆต่อให้ไปเที่ยวกี่ครั้งก็ตามความทุกข์ก็จะไม่มีวันหมดไปหายไปและกลับจะมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยเหมือนกับเวลาที่เราต้องการดับ ไฟกองไฟถ้าเราใช้น้ำมันเทใส่เข้าไปในกองไฟตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนเทเข้าไปไฟก็ทำท่าจะดับเพราะน้ำมันยังไม่ร้อนตอนนั้นน้ำมันเป็นเหมือนกับน้ำทำให้ไฟที่ลุกโชคที่ลุกอยู่นั้นทำท่าจะดับลงไปแต่สักพักหนึ่ง พอน้ำมันได้รับความร้อนขึ้นมามากขึ้นมันก็จะปะทุลุกเป็นไฟขึ้นมาใหม่เป็นไฟที่กองใหญ่กว่าเก่าเสียด้วยซ้ำไปนี่คือวิธีที่พวกเร า, าดับความทุกข์กันดับความทุกข์ด้วยการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพภพชนิดต่างๆเวลาที่เราได้ลาบยศสรรเสริญเวลาที่เราได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดถภาชนิดต่างๆที่เรารักที่เราชอบเราก็เกิดความสุขกันตาลาบยศสรรเสริญได้ความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผดถภะนไหม มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือมันไม่เที่ยงนั่นเองเวลาได้มามันก็มีความสุขกันดีอกดีใจกันแต่พอเวลาที่มันจากไปนี้มันกกลายเป็นความทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างยิ่งทุกเสียจนบางทีไม่อยากจะอยู่ต่อไปอยากจะฆ่าตัวตายให้มันรู้แล้วรู้รอดไป การข้าตัวตายก็ไม่ได้เป็นการแก้ความทุกข์เองหรอกกับเป็นการสร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะเวลาจะตายจริงๆนี้จะกลัวกันอย่างมากจะทรมานกันอย่างมากการคิดแบบอารมณ์ชั่ววูบ ม, มันไม่ได้ทําให้ความทุกข์มันหายไปกับจะทําให้ไปเจอความทุกข์ที่ไม่อยากจะเจอก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความตายนั่นเอง นี่คือการที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจเป็นผู้คอยสอนคอยบอกให้แก้ให้แก้กไขความทุกข์ต่างๆด้วยวิธีที่ถูกต้องวิธีที่จะทำให้ความทุกข์นั้นหายไปอย่างราบคาบอย่างถาวรจะไม่มีมันกลับเข้ามาสู่จิตใจอีกต่อไปเลย ถ้าใช้วิธีของพระพุทธเจ้ามาเป็นการแก้ความทุกข์ต่างๆดังนั้นถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะช่วยเราได้จะช่วยกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้สิ่งที่เราต้องทำก็คือ เราต้องศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้รู้อย่างชัดเจนว่าการที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆนั้นต้องกำจัดอย่างไรการเชื่อเฉยๆโดยที่ไม่ได้ศึกษานี่เรียกว่าเชื่อแบบงมงายเชื่อแบบงมงายนี้ก็ไม่เป็นประโยชน์ดังที่พระชาวพุทธเราบางท่านหื ส่วนใหญ่ก็ได้ที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างละเอียดชัดเจน เ, เชื่อกันตามมาเชื่อว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วจะกำจัดความทุกข์ไดอ้อันนี้ก็ไม่สามารถกำจัดกันได้ เ, เช่นเวลามีความทุกข์ก็ให้ไปวัดไปห า, าพระไป กาบพระไหว้พระจุดธูปเทียนสามดอกแล้วก็ขอพรขอให้ความทุกข์ต่างๆหายไปด้วยการประทานสิ่งที่อยากได้มาสูญเสียอะไรไปก็อยากจะขอให้สิ่งที่สูญเสียไปนั้นกลับมาหรือไม่กลับมาก็ขอให้มีสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเก่า มาทดแทนอันนี้เป็นความงมงายไม่ใช่เป็นการแค่ความทุกข์ให้หายไปเพราะถ้าได้สิ่งใหม่มาทดแทนสิ่งเก่าที่สูญเสียไปเดี๋ยวไม่นานสิ่งที่ใหม่ที่ได้มามันก็จะมีการจากเราไปอีกเช่นเดียวกันเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นอนิจจ์นั่นเอง มันเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่จีรังถาวรไม่อยู่กับเราไปตลอดไม่เป็นของเราไปตลอดไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งก็จะต้องมีการพัากจากกันไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตายนั่นเองนี่ก็เรียกว่าเชื่อแบบงมงายเชื่อแบบไม่ได้ศึกษา วิธีที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้จึงต้องศึกษากันถึงจะรู้จักวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจได้เพราะการกำจัดความทุกข์นั้นมีขั้นตอนหลายขั้นตอนด้วยกันมีการปฏิบัติหลายขั้นตอนด้วยกัน ถ้าปฏิบัติไม่ครบทุกขั้นตอนอก็จะไม่สามารถที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้บางคนคิดว่าทำบุญใส่บาตรอย่างเดียวแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปจะไปถึงพระนิพพานได้ด้วยการใส่บาตรกัน อ, อันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิด เพราะยังไม่ได้ศึกษาอย่างถ่องแท้ว่าการที่จะกาจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจนั้นนอกจากการทำบุญทำทานแล้วยังต้องมีการรักษาศีลศีลก็มีหลายระดับด้วยกันศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองรแล้วนอกจากการรักษาศีลแล้วก็ยังต้องมีการปฏิบัติธรรม คือมีการภาวนามีการปฏิบัติจิตตะภาวนาคือมีการฝึกสมาธิทำใจให้สงบเรียกว่าส ม, มถภ า, าวนาและหลังจากที่ได้สมาธิแล้วก็ต้องปฏิบัติขั้นต่อไปคือขั้นวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาให้เห็น ความจริงของทุกข์ว่าเกิดจากอะไรนั่นเองให้เห็นอริยสัจ ส, สี่ให้เห็นใจรักจะเห็นได้ต้องเข้าสู่ขั้นระดับวิปัสสนาขั้นระดับฟังเทศฟังธรรมแบบตอนนี้นั้นเป็นการเห็นชื่อแต่ยังไม่ได้เห็นตัวเหมือนเห็นชื่อของเสือยังไม่เจอเสือยังไม่รู้เสือเป็นอย่างไร เหมือนกับรู้ว่าทุกข์เป็นอย่างไรเกิดจากอะไรทุกข์คือความแก่ความเจ็บความตายความพัดพากจากกันตอนนี้ยังเป็นเพียงแต่ชื่อของเสือเท่านั้นเองยังไม่เจอตัวเสือยังไม่รู้สึกอะไรตอนนี้ได้ฟังธรรมนี่ไม่กลัวเลยไม่กลัวความทุกข์เลยไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายไม่กลัวการพัดพากจากกันเลย เพราะว่าย <itic. S 1> ังไม่ยังไม่เจอของจริงยังไม่ทุกยังไม่ทุกข์กับความแก่ยังไม่ทุกข์กับความเจ็บยังไม่ทุกข์กับความตายยังไม่ทุกข์กับการพัพากจากกันไว้รอเวลาเจอของจริงเขาถึงจะรู้ว่าเสือมันเป็นยังไงมันกัดเราอย่างไรพอเจอความแก่เข้าจริงๆถึงจะรู้ว่าโอนมันทุกข์อย่างนี้เวลาเจอความเจ็บไข้ได้ป่วย อย่างจริงๆถึงจะรู้ว่าอ๋อมันทุกข์อย่างนีเง้เวลาเจอความตายเวลาเจอการพัดพรากจากกันถึงจะรู้ว่ามันแสนทรมานใจเป็นอย่างยิ่งสูญเสียสิ่งที่เรารักไปสูญเสียคนที่เรารักไปหรือสูญเสียอะไรก็ตามที่เรารักเราชอบที่เรามีอยู่ไป มันจะทำให้เรามีความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจทรมานใจเป็นอย่างยิ่งตอนนั้นทำยังไงมันก็ไม่ยอมหายมันก็จะมาคอยหลอกมาหลอนเราอยู่ตลอดเวลาทาั้งๆที่เหตุการณ์มันก็ผ่านไปแล้วสูญเสียไปแล้วพัดภากจากกันไปแล้วแต่ใจมันยังทุกข์กับมันอยู่นั่นนี่คือบิของเสือเวลาที่ไปเจอมัน จะเสือกัดดังนั้นปัญญาที่เราได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมในตอนนี้ยังยังเป็นปัญญาที่ไม่สามารถที่จะกาจัดความทุกข์ต่างๆได้เพียงแต่เป็นการบอกเราล่วงหน้าเป็นเหมือนป้ายบอกทางเวลาที่เราขับรถไปแล้วบางทีถนนมีการชำรุดสุดโทรมมีการซ่อมแซม หรือมีปัญหาอย่างไรก็จะมีการติดป้ายคอยเตือนภัยไว้ล่วงหน้าก่อนเพื่อให้เราได้ชะรอความเร็วเพื่อให้เราเพิ่มความระมัดระวังเพื่อที่เราจะได้สามารถเดินทางผ่านถนนที่เป็นอุปสรรคนี้ไปได้อย่างปลอดภัยถ้าไม่มีการเขียนป้ายบอกไว้ เป็นโค้งบางแห่งนี้เป็นโค้งอันตรายถ้าไม่ได้เขียนป้ายบอกว่าระวังให้ชะลอความเร็วเหลือขนาดนั้นขนาดนี้ถ้าเราไม่รู้เราก็อาจจะคิดว่าเป็นโค้งที่เราสามารถหักได้ด้วยความเร็วที่เรากําลังใช้กันอยู่แต่พอเข้าถึงโคง้งจริงๆมันหักไม่ได้มันต้องแหกโคง้งตกเหวไปกัน นี่คือประโยชน์ของป้ายป้ายคือบอกให้เรารู้ร่วงหน้าก่อนว่าข้างหน้านี้อาจจะมีภัยอย่างไรเกิดขึ้นกับจิตใจของพวกเราคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรามาฟังกันนี้มาศึกษากันนี้เป็นเหมือนป้ายที่คอยจะเตือนภัยให้เรารู้ว่าความทุกข์ของพวกเรานั้น อยู่ที่ตรงไหนกันนั่นเองอริยสัจสี่ข้อที่หนึ่งท่านก็แสดงไว้ให้เห็นว่าทุกข์ของพวกเราก็คือการแก่นั่นเองการเกิดด้วยการเกิดก็เป็นทุกข์เพราะเมื่อเกิดแล้วมันก็จะต้องพาเราไปสู่การแก่การเจ็บการตายพาเราไปสู่การพัดพลาดจากกันซึ่งเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเอความแก่ก็เป็นความทุกข์ ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นความทุกข์ความตายก็เป็นความทุกข์การพัดผ้าจากกันก็เป็นความทุกข์เมื่อเรารู้ว่ามันเป็นความทุกข์ทำไมเราไม่รีบศึกษาวิธีที่จะทำให้เราผ่านความทุกข์เหล่านี้ไปได้โดยไม่มีความทุกข์คำสอนของพระเจ้านี้มีประโยชน์เหมือนกับป้ายบอกทาง บ, บอกว่าให้ชะลอความเร็วลงโค้งอันตรายถนนลื่นฝนตกถนนลื่นให้ชะลอความเร็วให้ขับรถ ด, ด้วยความระมัดระวังพอเวลาที่จะต้องชะลอหรือหยุดรถก็จะสามารถหยุดได้ทันท่วงทีแล้วก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุต่างๆฉันด อริยสัจข้อที่หนึ่งก็เป็นป้ายเตือนภัยบอกเราให้รู้แล้วว่าเราเกิดมาแล้วเราจะต้องเจอความแก่กันเป็นธรรมดาเราจะต้องเจอการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเราจะต้องเจอความตายกันเป็นธรรมดาเราจะต้องเจอการพลาดพลาจากกันเป็นธรรมดาเราต้องเจอกับสิ่งที่เราไม่อยากเจอกันเป็นธรรมดา เมื่อเรารู้แล้วว่าข้างหน้าของเราเป็นอย่างนี้เราก็ต้องหาวิธีปฏิบัติกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นตามป้ายเขาก็บอกให้ชะลอความเร็วตามธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เราชะลอเลื่อนลดละต้นเหตุของความทุกข์ให้มันน้อยลงไป ต้นเหตุของอุบัติเหตุเพราะขับรถเร็วเกินไปไม่ชะลอพอถึงเวลาจะต้องหยุดก็หยุดไม่ได้ต้นเหตุของความทุกข์ใจก็คือความอยากต่างๆนี่คืออริยาสต ร, ร์ข้อที่สองป้ายป้ายข้อที่สองข้อที่หนึ่งบอกให้เรารู้แล้วว่าข้างหน้าจะเป็นอะไรข้อที่สองก็บอกวิธีให้เราปฏิบัติเพื่อที่จะได้แคล้วคลาดปลอดภัยกัน จากความทุกข์ต่างๆก็คือเราต้องลดต้องละต้องหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราอยู่สามประการด้วยกันความอยากมีหลายชนิดความอยากที่ไม่เป็นภัยต่อจิตใจก็มีความอยากที่เป็นคุณประโยชน์กับจิตใจก็มีความอยากที่เป็นโทษกับจิตใจที่สร้างความทุกข์ให้กับใจก็มี เราต้องมาหยุดความอยากที่เป็นไทยต่อจิตใจคือหนึ่งกามะตัญหาความอยากเสพกามอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะเป็นการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปดูมหระทบันเทิงร้องลำมทำเพลงไปกินไปดื่มอะไรกันอันนี้เรียกว่ากามะตัญหา หรือการร่วมหลับนอนกันเป็นแฟนกันเป็นคู่ครองกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นกามะอันหาเหมือนกันถ้าเราทำกิจกรรมเหล่านี้อยู่ก็เท่ากับเราไม่ชะลอความเร็วของรถยนต์พอถึงเวลาที่จะเข้าโค้งถึงเวลาที่ไปเจอถนนลื่นจะเบรกกระทันหันไม่ได้จะเบรกไม่ทัน จะแหกโค้งหรือรถจะลื่นไหลไปชนรถคันอื่นได้ถ้าเราไม่อยากจะให้มีอุบัติเหตุทางชีวิตเกิดขึ้นเราต้องชะลอหรือลดละความอยากคือกามตัญหาให้น้อยลงไปตามลำดับถ้าตันหาน้อยลงก็เหมือนกับลดชะลอความเร็วลงอ่ โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็จะน้อยลงไปแต่ยังไม่หมดถ้าอยากจะให้หมดต้องหยุดรถเลยถ้าหยุดรถจอดรถให้นิ่งแล้วรับรองได้ว่า อ, อุบัติเหตุทางรถยนต์จะไม่มีวันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเช่นตอนนี้ถ้าเราสามารถสั่งให้รถยนต์ทุกคันที่วิ่งอยู่บนถนนในประเทศไทยนี้หยุดเคลื่อนไหวได้รับรองได้ว่าสถิติอุบัติเหตุนี้จะหายไปหมดเลย เมื่อรถจอดเฉยๆมันจะมีอุบัติเหตุได้อย่างไรแต่พอรถมันเริ่มวิ่งไปวิ่งมากันวิ่งไปด้วยความเร็วสูงมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุต่างๆกันขึ้นมานั่นเองจัไนั้นจิตใจของพวกเราเราก็ต้องมาชะลอความเร็วกันชะลอความอยากของพวกเรานั่นเองหนึ่งชะลอกามทันหาความอยากเสพกามให้มันน้อยลง เที่ยวให้น้อยลงไปดูหนังฟังเพลงให้น้อยลงอไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้น้อยลงแล้วความทุกข์ต่างๆจะน้อยลงไปถ้าอยากจะให้มันหมดก็ต้องเลิกเสพกามเลยต้องไปอยู่แบบนักบวชอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระอริยสงสาวกท่านไม่เสพกามกันท่านเลิกเสพกามกัน การไม่เสพการนี้ไม่ทำให้เราตายหรอไม่ทำให้เราทุกข์หรอกมันกลับทำให้เราสุขแต่เราไม่รู้กันเพราะช่วงที่พยายามที่จะเลิกใหม่ๆนี้มันทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันเป็นเหมือนยาเสพติดถ้าเราเคยเสพยาเสพติดนี้พอจะเลิกเสพนี้มันจะรู้สึกทุกข์มากแต่คนที่ไม่เสพยาเสพติดนี้เขาไม่ทุกข์กับการไม่ได้เสพยาเสพติดเลย ทำไมเป็นอย่างนั้นคนสองคนเหมือนกันคนหนึ่งทุกข์เพราะไม่ได้เสพ ย, ยาเสพติดเอคนหนึ่งไม่ทุกข์เพราะไม่ได้เสพยาเสพติดทำเหมือนกันนะไม่เสพยาเสพติดเหมือนกันแต่ทําไมคนหนึ่งถึงต้องทุกข์ด้วยทําไมอีกคนหนึ่งไม่ทุกข์เพราะคนที่ทุกข์เพราะว่ายังอยากเสพอยู่นั่นเองยังมีความอยากเสพอยู่พอไม่ได้เสพมันก็เลยทุกข์ แต่คนอีกคนหนึ่งนี้ไม่มีความอยากเสพเลยก็เลยไม่ทุกข์เนี่ยเหมือนคนที่ติดบุหรีกับคนที่ไม่ติดบุหรีคนที่ติดสุรากับคนที่ไม่ติดสุราเนี่ยเหมือนกันเลยพอไม่ได้ดื่มสุราคนที่ไม่ติดสุราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรแต่คนที่ติดสุรานี้จะทุกข์ทรมานใจอันนี่คือ นี่คือเรื่องของใจที่ยังมีความอยากอยู่ถ้ายังมีความอยากอยู่เวลาที่จะหยุดความอยากมันจะยากมันจะทรมานใจแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยเพราะเรามีพระพุทธเจ้าจะมาบอกวิธีที่เราจะสามารถกำจัดความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากการหยุดการเสพ ความอยากต่างๆได้ตอนนี้เราต้องศึกษาว่าเราต้องหยุดความอยากอะไรบ้างก็มีกามะตัญหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะสองภาวะตัญหาความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีรถอยากมียศดมีเกียรติมีสรรเสริญมีความสวยงาม แต่งเนื้อแต่งตัวสรรหาวิอเสื้อผ้า Point, อาภรณ์เสริมสวยความงามด้วยวิธีการต่างๆการอยากแบบนี้ก็จะนำไปสู่ความทุกข์เพราะมันไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองเพราะร่างกายไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องแก่ลงไปเรื่อยๆจะให้มันสวยไปแบบไม่สางสวยไม่สางบานไม่รู้โรยนี่มัน เป็นไปไม่ได้ธรรมชาติของร่างกายเหมือนดอกไม้ดอกไม้มันก็ต้องบานแล้วก็โรยไปสวยไม่รู้สั่งมันไม่มีอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังฝืนกันพยายามวิ่งเข้าหาความทุกข์กันพอเราไม่สามารถทำตามความอยากของเราได้เราก็จะเสียใจกันอยากเป็นใหญ่เป็นโต ตอนนี้อยากเป็นสสกันหัหยวุ่นไปทั้งบ้านทั้งเมืองอนนี้วิ่งกันพรานไปทั้งบ้านทั้งเมืองด่ากันไปด่ากันมามึงไม่ดีอย่างนั้นมึงไม่ดีอย่างนี้กูดีอย่างนั้นกูดีอย่างนี้้วนะเพื่อที่จะได้อะไรได้เป็นใหญ่เป็นโตพอได้แล้วเขาก็ลืมเราเราเลือกเขาไปพอเขาได้แล้วเขาก็ไปเลาะไปเลี้ยงฉลองไปกินไปอะไรกัน พวกที่ไม่ได้ก็เสียอกเสียใจกันพวกที่ได้เดี๋ยวไม่นานก็หมดมาวาลาหรือถูกล้มกระดานถูกปฏิวัติใหม่มันก็เสียใจกันต่อไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าผู้ที่ได้หรือผู้ไม่ได้ในที่สุดก็ต้องเจอกับความเสียใจเจอกับความทุกข์ใจเพราะว่าไม่ว่าจะได้อะไรมาไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการสูญเสียไป นี่คือภาวะตัณหาข้อที่สามก็คือวิภาวะตัณหาความอยากไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่อยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่อยากได้สิ่งที่เราไม่ชอบไม่อยากเจอกับคนที่เราไม่ชอบก็เรียกวิภ า, าวะตัณหาไม่อยากเจอกับสภาพที่เราไม่ชอบเช่นความยากจนความทุกข์ยากลาบากต่างๆหรือความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบกันเราไม่อยากจะเจอกันความอยากอันนี้เราเรียกว่าวิภวตันหาแต่อยากไม่อยากมันก็ต้องเจอกันก่อนที่ไม่มีความอยากไม่มีวิภวตันหาถ้าเจอก็จะไม่ทุกข์เหมือนคนที่จะเลิกสุราพอต้องเลิกสุราถ้าไม่มีความอยากดื่มสุราก็ไม่ทุกข์ถ้ายังอยากดื่มสุราอยู่ก็ยังจะทุกข์ต่อไป นี่คือป้ายข้อป้ายแผ่นที่สองที่พระเจ้าทรงติดประกาศไว้ให้พวกเรารู้ว่าข้างหน้าเป็นอันตรายคือข้อที่หนึ่งป้ายข้อที่หนึ่งบอกว่าถนนข้างหน้าเป็นอันตรายมีการแก่การเจ็บการตายมีการพัดพากจากกาันที่จะพวกเราทุกคนที่มาเกิดจะต้องมาเจอกัน ข้อที่สองให้ลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยให้จะรอความเร็วหรือหยุดรถถ้าต้องการความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็ก็หยุดรถเดินไปดีกว่าเดินไปปลอดภัยกว่าดีกว่าขับรถแล้วต้องเสี่ยงต่อกับอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้<อ>ก็ต้องมาลดกามตัะหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาให้มันน้อยลงไปตามลาดับแล้วก็หยุด ไปในที่สุดเพราะการที่จะหยุดแบบหักดิบนี้คงจะยากคนที่เคยสูบบุหรี่แล้วบอกว่าต่อไปนี้จะเลิกสูบปั๊บนี่ตามใจไม่เด็ดจริงๆถ้าไม่มีเครื่องมือสนับสนุนจริงๆนี้เลิกไม่ได้ก็มานามาสู่ข้อที่สามป้ายข้อที่สามบอกว่าอุบาติภัยต่างๆจะหมดไปได้ความทุกข์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับใจของพวกเรานี้หมดไปได้นี่เรียกว่านิโรธข้อที่สามนี้ความจริงว่าเราสามารถป้องกันภัยต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นบนท้องถนนไดป้ป้ายข้อที่สามบอกไว้อย่างนั้นถ้าเราปฏิบัติตามกฎจราจรป้ายข้อที่สี่ก็จะเขียนว่าวิธีปฏิบัติตามกฎจราจรวิธี ละความอยากต่างๆหยุดรดหยุดความอยากต่างๆนั้นต้องทำอย่างไรบ้างมีป้ายข้อที่สี่ขับรถไปนี้ป้ายจะบอกเราให้เรารู้ว่าข้างหน้าข้างหน้าเป็นอันตรายนะโปรดชะลอความเร็วชะลอความอยากหรือหยุดลดแล้วจะปลอดภัยถ้ายังต้องไปอยู่ยังหยุดความยังหยุดไม่ได้ก็ต้อง หาวิธีหยุดมันชะลอความอยากชะลอความหยุดความอยากต่างๆปลายข้อที่สี่ก็จะบอกวิธีถ้าเราไม่สามารถหยุดความอยากด้วยตัวของเราเองได้ <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้ทำตามวิธีอย่างนี้เหมือนเวลาที่เรามีปัญหากับเครื่องโทรศัพท์บางทีมันไม่ทำหน้าที่ตามที่เราต้องการ บางทีเราต้องโทรไปถามคนที่รู้จักวิธีแก้ปัญหาเขาก็บอกว่าให้กดปุ่มนั้นกดปุ่มนี้แล้วรอสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเครื่องมันก็จ ะ, ะมันก็จะปิดแล้วก็จะเปิดใหม่แล้วปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในเครื่องมันก็จะหายไปอันใดป้ายข้อป้ายที่สี่คืออริยสัจสี่ข้อที่สี่ก็คือมรรคแปลว่า วิธีการดับทุกนั่นเองวิธีจะจะทำให้ทุกทั้งหลายหมดสิ้นไปจากใจวิธีที่จะละความอยากลดความอยากหรือหรือตัดความอยากให้หมดไปเพื่อทำให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจนี้หายไปหมดนี้ต้องทำอย่างไรบ้างครูตจาก็สองสามขั้นตอนวิธีที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของพวกเรา คือหนึ่งให้ทำทานสองให้รักษาศีลสามให้ภาวนานี่เองถ้าเราปฏิบัติตามขั้นตอนเดี๋ยวใจของเราก็จะสามารถล้างความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจพอความอยากหมดไปความทุกข์ใจที่เคยมีอยู่ก็จะหายไปหมดเลย เหมือนกับเครื่องตัวสำนี้เขาจะบอกวิธีถ้าใช้เครื่องไปแล้วมันรวนมันทํางานไม่เป็นปกติเขาบอกให้กดปุ่มสองปุ่มแช่ไว้สักพักหนึ่งแล้ว เ, เดี๋ยวเครื่องมันจะล้างปัญหาต่างๆมันจะมันจะกลับไปจุดเริ่มต้นใหม่แล้วก็ปัญหาต่างๆที่เคยมีอยู่ก็จะหายไปหมดเอันนี้ก็เช่นเดียวกัน พอเรามาถึงป้ายที่สี่สิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คือปฏิบัติตามข้อตามตามที่ป้ายข้อที่สี่บอกให้เราทานั่นเองให้เราทําทานให้เรารักษาศีลให้เราภาวนากันถ้าเราอยากจะมีความสุขจากการใช้เงินอยากจะกําจัดความทุกข์ที่เกิดจากการใช้เงินนี้ต้องรู้จักใช้เงินให้ถูกวิธี การใช้เงินนี่มีสองวิธีด้วยกันวิธีที่จะกาจัดความทุกข์กับวิธีที่จะเพิ่มความทุกข์ให้กับเราส่วนใหญ่เรามักจะใช้วิธีที่สองคือวิธีสร้างความทุกข์ให้มีขึ้นมามากขึ้นไปเรื่อยๆใช้เงินแบบไหนจึงทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเรื่อยๆก็ใช้เงินตามความอยากสามตัวนี่เอง ใช้เงินตามความอยากของกามตัณหาของภาวะตัณหาหรือของวิภาวะตัณหาอยากไปเที่ยวอย่างนี้อยากไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะก็เสียเงินเสียทองกันจองตั๋วเรือบินจองที่พักเดินทางไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพื่อจะได้กําจัดความทุกข์ที่อยู่กับที่บ้านหรืออยู่กับที่ทํางานเอ เวลาทำงานเวลาอยู่บ้านนี้มันไม่สุขเหมือนกับตอนที่เราไปท่องเที่ยวกันเราก็เลยอยากจะไปท่องเที่ยวกันเราก็ต้องใช้เงินใช้ทองกับ ก, บการไปท่องเที่ยวพอไปท่องเที่ยวความทุกข์ที่เกิดจากที่ทำงานที่บ้านมันก็จะหายไปชั่วคราวเราก็ไปเพลิดเพลินไปมีความสุขกับรูปเสียงเกิลดจากตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง แต่พอเรากลับมาบ้านกลับมาทำงานความทุกตัวเก่ามันก็รอเราอยู่นั่นแหละมันไม่หนีเราไปมันเป็นเหมือนเงาตามตัวเราเราไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวมันก็จะโผล่ขึ้นมามันก็จะทำให้เราอยากไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆ อ, อยากจะหนีความทุกแบบนี้ไปเรื่อยๆ เ, เพราะความทุกที่เกิดขึ้นจากการอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานก็เพราะว่า มันเกิดจากความอยากไปเที่ยวนี่พ อ, อเราอยากไปเที่ยวแล้วเราไม่ได้ไปเที่ยวเราต้องอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานมันก็เลยทำให้เราไม่มีความสุขกันวิธีที่จะแก้ปัญหาก็คือแทนที่จะเอาเงินนี้ไปเที่ยวกันให้เราเอาเงินนี้ไปทำบุญทำทานเอาไปทำทานไปช่วยเหลือผู้อื่นผู้ที่กขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นใครก็ได้ถ้าเห็นเขาเดือดร้อนแล้วเราช่วยเขาทำให้เขามีความสุขทำให้เขาบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนลงได้มันจะทำให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมาเกิดความอิ่มใจขึ้นมาที่รู้ที่จะดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวมันก็จะทำให้เราอยู่บ้านเฉยๆได้ ไปทำงานก็ไม่ทุกได้ทุกครั้งที่เราคิดถึงทานหรือบุญที่เราทำนี้มันก็จะทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเวลาทำงานเวลามีความทุกข์ใจไม่สบายใจเรานึกถึงการที่เราได้ไปช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดืร้อนให้แก่ผู้อื่นให้เขามีความสุขใจขึ้นมาพอเราคิดอย่างนั้น เราก็เกิดความสุขใจขึ้นมานี่คือการใช้เงินแบบวิธีที่ถูกต้องต้องใช้ไปกับการทำบุญทําทานอย่าไปใช้กับการทาตามความอยากต่างๆเพราะมันจะไม่ทำให้ความทุกข์หายไปพอเรากลับมาจากเที่ยวแล้วพอคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวอีกเราก็ทุกข์อีกเพราะเราไม่ได้ไปเที่ยวเรายังต้องอยู่บ้านต่อไป หรือต้องทำงานต่อไปแต่ถ้าเราเอาเงินไปทำบุญทำทานแล้วความอยากไปเที่ยวมันก็จะหมดไปเราอยู่บ้านก็จะไม่รู้สึกทุกข์อีกต่อไปเราทำงานก็เราก็จะไม่รู้สึกทุกข์แต่อย่างใดแล้วถ้าเราคิดถึงบุญถึงทานที่เราได้ทำไว้ถึงแม้เวลาจะผ่านไปแล้วนานเท่าไหร่ก็ตาม พอคิดขึ้นมาทีไรก็ทำให้เรามีความสุขใจขึ้นมาทุกครั้งไปไม่เหมือนกับทุกมนไม่เหมือนกับการคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เราเคยไปเที่ยวคิดถึงทีไรก็ทำให้เราทุกข์มากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเราไม่ได้ไปเที่ยวเราอยากไปเที่ยวขึ้นมานี่คือขั้นที่หนึ่งถ้าเรายังต้องการใช้เงินดับความทุกข์อยู่ดับความไม่สบายใจต่างๆอยู่ ให้ใช้ให้ถูกวิธีอย่าใช้เงินไปสร้างความทุกข์การไปเที่ยวหรือการไปซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จําเป็นต่างๆเช่นซื้อกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าซื้อเครื่องประดับต่างๆซื้อแหวนซื้อสร้อยซื้ออะไรต่างๆนมันให้ความสุขเราเดียวๆแต่มันไม่ทําให้ความทุกข์ต่างๆหายไปเพราะความอยากซื้อมันไม่หมด ความอยากจะใช้เงินเพื่อดับความทุกข์ใจต่างๆมันไม่ได้หมดไปกับการใช้เงินแบบนี้การจะใช้เงินให้มันให้ความทุกข์จากการที่อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปซื้อของฟุ่งเฟยต่างๆให้หมดไปนั้นต้องเอาเงินไปทาบุญทาทานแทนแล้วต่อไปความอยากจะใช้เงินเพื่อไปเที่ยวไปอะไรมันก็จะหมดไป มันก็จะทำให้เราไม่เดือดร้อนกับเรื่องการไม่มีเงินทองไปเที่ยวเราจะมีเงินทองเหลือเฟือเพราะว่าเงินทองส่วนใหญ่ที่เราใช้กันนั้นมันหมดไปกับความอยากใช้ไปตามความอยากนั่นเองใช้กับของที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินทองเลยไม่ค่อยพอใช้แต่พอเราหยุดใช้เงินแบบนี้ได้เงินทองที่เราหามาได้มันก็จะมี อยู่กับเราไปมากขึ้นมากขึ้นแล้วถ้าเราเห็นว่ามันมากกว่าที่เราต้องการเราก็เอาไปทำบุญทำทานต่อไปก็จะเพิ่มความสุขใจของเราให้มีมากขึ้นไปความทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินทองก็จะหมดไปความทุกข์ใจที่เกิดจากการไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆมันก็จะหมดไปใจก็จะอยู่อย่างมีความสุข อยู่ที่บ้านก็มีความสุขไปทํางานก็มีความสุขเพราะความอยากไปเที่ยวที่อื่นมันไม่มีนะนี่คือวิธีแรกถ้าเรายังใช้เงินทองในการกําจัดความทุกข์ต่างๆ ด, ด้วยการทําตามความอยากนี้พระพุทธเจ้าบอกอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะกําจัดความทุกข์ให้หมดไปแต่กลับจะสร้างความทุกข์ขึ้นมา เพราะว่าไม่ช้าก็เร็วเงินทองก็จะไม่พอใช้นั่นเองพอเงินทองไม่พอใช้แต่ยังอยากเที่ยวอยู่ยังอยากใช้เงินอยู่ก็จะมีความหงุดหงิดลำคาญใจและอาจจะบีบบังคับให้ไปหาเงินทองโดยวิธีที่ไม่ชอบต่อไปก็ได้เมื่อเงินทองไม่พอใช้เงินเดือนไม่พอใช้ก็ต้องหารายได้เสริมหารายได้เสริมก็ จ, จะต้องไปเสริมแบบ ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมเพราะงานที่จะหาถูกศีลธรรมถูกกฎหมายนี้มันต้องใช้เวลาซึ่งเราไม่มีเพราะเราต้องทํางานของเราอยู่แล้วเราก็เลยต้องหาแบบที่ไม่ต้องใช้เวลาช่อโกงหลอกลวงคอร์รัปชันอะไรต่างๆเหล่านี้ทําควบคู่กับงานที่เราทําอยู่เป็นประจํา เราก็เลยทำให้ต้องไปทำบาปโดยไม่รู้สึกตัวทำให้เราไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ทำระดับที่สองได้คือการรักษาศีลเพราะการรักษาศีลจะห้ามแม่เราทำบาปนั่นเองเพราะการทำบาปถึงแม้ว่าเราจะได้เงินทองมาได้ผลประโยชน์มาแต่สิ่งที่เราจะได้ติดมากับเงินทองกับผลประโยชน์ ก็คือความไม่สบายใจความทุกข์ใจนี่เองดะงนั้นคือสรุปว่าการทำบาปนี้มันได้ไม่คุ้มเสียสิ่งที่เราได้คือเงินทองเดี๋ยวเราก็ไปใช้หมดแต่ความทุกข์ใจหรือโทษที่จะก่อจากการทำบาปมันไม่หมดไปกับเงินทองไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องถูกจับไปลงโทษไปติดคุกติดตารางแล้วถ้าตายไป ยังต้องไปติดคุกติดตารางในโลกทิพย์ต่อถ้าทำบาปก็จะต้องไปติดในไปเกิดในอบายต้องไปใช้ชีวิตอยู่แบบสัตว์เดรัาฉานแบบเปรตแบบอสุรกายแบบนรกต่อไปอันนี้การทำทานจึงเป็นวิธีป้องกันไม่ให้เราไปทำบาปถ้าเราทำทานอย่างสม่าเสมอ เราจะไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินใช้ทองถ้าเราไม่มีเงินทำบุญทาทานเราก็หยุดได้การไม่ได้ทำบุญทาทานจะไม่ได้ทำให้เรารู้สึกทุกข์ใจแต่ประการใดแต่การไม่ได้ใช้เงินตามความอยากนี้มันจะทำให้เราทุกข์ใจแต่ถ้าเราหยุดการใช้เงินตามความอยากได้ความทุกข์ใจก็จะไม่มีต่อไปเราก็จะรักษาสี่ห้าได้ ถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปเราก็ต้องมารักษาสีลห้ากันถ้าเรารักษาสีลห้าแล้วใจเราจะสบายยิ่งขึ้นความทุกข์ที่เกิดจากทการทำบาปก็จะถูกกำจัดลงไปเวลาเราโกหกนี่เราจะไม่สบายใจเวลาเราช่อกงเราจะไม่สบายใจเวลาเราทำลายชีวิตของผู้อื่นนี่เราจะไม่สบายใจกัน พอเรามาลังนับการทำบาปเหล่านี้ได้ใจของเราก็จะสบายขึ้นความไม่สบายใจที่เกิดจากการทำบาปก็จะน้อยลงไปและหมดไปได้ในที่สุดถ้าเรารักษาศีลได้อย่างครบบริบูรณ์ตลอดเวลาทุกวันทุกเวลาเราจะไม่ทำบาปเลยความทุกข์ใจที่เกิดจากการทำบาปก็จะถูกกำจัดไป ด้วยการรักษาศีลห้านี้เองอ่นี่คือข้อที่สองในการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจเราต้องดับความทุกข์ที่เกิดจากการทําบาปของเราเองด้วยการไม่ทําบาปด้วยการรักษาศีลห้าพอเราเห็นว่าเราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วความทุกข์ที่มีอยู่ในใจเรานี้น้อยลงไปเรื่อยๆ ก็ทำให้เรามีศรัทธามีความยินดีที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเราก็อยากอยากจะก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สามของการปฏิบัติคือการภาวนาตอนต้นเราทำทานไปก่อนทำทานแล้วเห็นผลดีแล้วก็เลยอยากจะได้ผลมากขึ้นได้ความสุขมากขึ้นได้ดับความทุกข์มากขึ้นก็มาดับความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาป ด้วยการมารักษาศีลพอรักษาศีลห้าได้รู้สึกว่าใจมีความทุกข์น้อยลงอยากจะให้มันน้อยลงไปกว่า น, นี้ก็เพิ่มรักษาศีลเป็นศีลแปดไปศีลแปดก็จะมาหยุดการกระทำตามความอยากต่างๆทางตาหูจมูกล้นกายที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินทองแต่ยังอยากทำอยู่ เช่นยังอยากร่วมหลับนอนกับแฟนอยู่ยังอยากไปไปข้างนอกบ้านอยู่ถึงแม้ไม่ได้ไปเสียเงินเสียทองก็ ย, งยังยังออกไปยังอยากไปดูนั่นฟังนี้อยู่มันก็จะทำให้เราอดเก็รํำคาญใจได้ถ้าเราไม่ได้ออกไปข้างนอกบ้านหรือว่าถ้าเราอยากที่จะปฏิบัติทำขั้นที่สูงขึ้นไปคือการภาวนา เราก็จำเป็นที่จะต้องหยุดกิจกรรมเหล่านี้หยุดกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายการจะหยุดกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เราต้องถือศีลแปดกันเพิ่มอีกสามข้อมีศีลห้าแล้วพอจะมาเพิ่มอีกสามข้อก็ไม่ยากเย็นเท่าไหร่เปลี่ยนศีลข้อที่สามจากการร่วมหลับนอนกับแฟนมาเป็นไม่ร่วมหลับนอนกัน สี่ข้อที่หกก็มารักษามายึงดเว้นการรับประทานอาหารมากเกินไปรับประทานเพียงเที่ยงวันก็พอเพราะหลังจากนั้นเราจะได้เอาเวลามาภาวนามาทำใจให้สงบถ้าเรายังรอกินข้าวเย็นอยู่มันก็จะทำให้เรายังไม่อยากจะภาวนายังอยากจะรอกินอาหารเย็นก่อนเวลาจากเที่ยงวันถึงเย็นก็จะเสียไป ไม่ได้เอามาใช้กับการภาวนายันถ้าเราไม่รับประทานอาหารแล้วมันก็จะตัดปัญหาเรื่องที่จะต้องมามารับประทานอาหารกันแล้วการรับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆมันก็จะเป็นอุปสรรคมันจะทำให้เราง่วงนอนจะไม่อยากภาวนาจะไม่อยากจะเดินจงกรมนั่งสมาธิอยากจะหาที่นอนอยากจะหาหมอนงนั้นเราก็ต้องมา เว้นการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแล้วก็เว้นการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเว้นการเสริมสวยความงามของร่างกายเว้นการหลับนอนบนฟูกที่หนาๆบนเตียงใหญ่ๆที่มันสุขสบายเกินไปเพราะมันจะทําให้นอนมากเกินไปแล้วเว้นเพื่อที่เราจะได้เอาเวลาที่ใช้กับกิจกรรมเหล่านี้ มาหัดภาวนากันนั่นเองมาหัดนั่งสมาธิมาทําใจให้สงบมาหัดเจริญสติเดินจงกรมฝึกสติพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ความคิดมันจะนําไปสู่ความอยากความอยากมันจะนําไปสู่ความทุกข์ทรมานใจอย่าไปคิดหยุดคิดด้วยพุทธโธพุทธโธไปพอมันจะคิดก็พุทธโธพุทธโธไป พอมันไม่คิดก็ไม่ต้องพุทโธพุทโธถ้ามันรู้เฉยเฉยรู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่แล้วมันไม่ไปคิดถึงอดีตไม่ไปคิดถึงอนาคตไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องพุทโธก็ได้ให้ดูไปว่าดูมันกําลังคิดอะไรหรือเปล่าถ้ามันคิดก็ต้องหยุดมันหยุดด้วยพุทโธพุทโธหรือหยุดด้วยการเฝ้าดูมันไปว่ามันกําลังคิดหรือไม่คิดถ้ามันไม่คิดก็ไม่ต้องทําอะไร ถ้ามันคิดก็ต้องหยุดทันทีต้องใช้พุโทโธทันทีนี่ทําอะไรขณะที่เรายังไม่ได้นั่งสมาธิเวลาที่นั่งสมาธินี้เรามีวิธีอื่นถ้าเราไม่อยากจะพุโทโธเราก็ดูลมหายใจแทนก็ได้ถ้าเราอยากจะใช้พุโทโธก็ใช้พุโทโธต่อไปก็ได้นั่งแล้วก็เริ่มพุโทโธพุโทโธหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าให้ใจไป ผลิตอะไรอาการอะไรแปลกๆต่างๆขึ้นมาหลอกเราถ้าเรานั่งเฉยๆโดยที่ไม่มีพุทธโธหรือโดยการไม่ได้มีการดูลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวใจมันก็จะผลิตอะไรอาการแปลกๆขึ้นมาหลอกเราได้ปรากฏมีแสงบ้างมีภาพบ้างมีเสียงบ้างมีความรู้สึกอะไรต่างๆบ้างมันจะมาทําลบกวนการทําใจให้สงบถ้าเราปฏิบัติ ถ้ามีอาการเหล่านี้แสดงว่าเรากำลังเผลอสติรีบกลับมาหาสติกลับมาหาพุทโธพุทโธหรือกลับมาดูลมหายใจเข้าออกแล้วอาการต่างๆเหล่านั้นมันก็จะหายไปเราก็พุทโธพุทโธต่อไปหรือดูลมต่อไปเรื่อยๆอ ย, ย่าหยุดนะถ้าต้องการให้ใจสงบตอนนั่งสมาธินี้หยุดพุทโธไม่ได้หยุดดูลมหายใจไม่ได้ต้องพุทโธไป จนกว่ามันจะรวมเข้าสู่สมาธิเวลามันรวมมันก็อาจจะเหมือนกับตกหลุมตกบ่อแล้ววุบลงไปแล้วก็รู้สึกนิ่งแล้วก็สบายเหมือนตกจากที่สูงแต่มีเบาะอยู่ข้างล่างรองรับพอตกถึงพื้นแทนที่จะกระแทกกับพื้นกับมีเบาะรองรับรู้สึกนุ่มสบายมีความสบายอกสบายใจเบาอกเบาใจมีความรู้สึกตัวตลอดเวลาไม่หายไป ไม่เหมือนกับตอนหลับถ้าหลับนจะไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่หลับถ้ามีสติจะไม่หลับจะรู้ว่าจิตนิ่งสงบมีความสุขอย่างมากมีสักแตว่ว่ารู้มีอุเบกขาไม่มีความรักความชังความกลัวความหลงถึงแม่ร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่รู้สึกมอาการหงุดหงิดยุดอัด ลำคาญใหญ่ตายอย่างใด ร, รู้สึกเฉยๆกับเหตุการณ์ต่างๆที่มาทางร่างกายเช่นการความเจ็บส่วนนั้นส่วนนี้หรือเสียงที่ได้ยินเสียงที่เคยรู้สึกลำคาญจะไม่รู้สึกลำคาญเวลาจิตสงบจิตเบาจิตสบายนี่คือเป้าหมายอันแรกของการภาวนาให้ใจเราเข้าสู่จุดของอุเบกขาคือ มีความสุขแล้วก็เบาอกเบาใจไม่มีอาการรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจกับอะไรก็ตามที่มาให้สัมผัสรับรู้ใจจะเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆได้พอออกมาจากสมาธิใหม่ๆความรู้สึกนี้มันยังไม่หายไปทันทีมันเหมือนน้ำเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นเวลาออกจากตู้เย็นใหม่ๆมันก็ยังจะเย็นอยู่ แต่ถ้าเราทิ้งไว้ข้างนอกจะเย็นไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวน้ามันก็หายเย็นถ้าเราอยากจะให้มันเย็นต่อไปเราก็ต้องเอ า, เ, อาเข้าไปแช่ในตู้ใหม่การฝึกสมาธิก็แบนเป็นแบบนี้เวลาเราเข้าสมาธิจิตจะเย็นจะสบายเป็นอุเบกขามีความสุขพอออกจากสมาธิมาความเย็นความสบายความสุขก็จะค่อยๆจางหายไป เดี๋ยวไม่นานมันก็จะร้อนได้มันก็จะฟุง้งจะวุ่นวายใจขึ้นมาได้ถ้ามันจะกลับไปฟุง้งไปวุ่นวายเราก็ต้องกลับไปนั่งสมาธิใหม่ถ้าเราอยากจะให้ใจของเราเย็นสงบไปเรื่อยๆเราก็ต้องสลับการเข้าออกสมาธิไปเรื่อยๆเพราะเวลาที่เราออกมาจากสมาธิเพราะว่าเราต้องมีภารกิจอย่างอื่นต้องทากัน ต้องมาดูแลร่างกายร่างกายอาจจะปวดท้องฉี่ปวดอะไรขึ้นมาก็ต้องออกมาหรือต้องมากินน้ำมารับประทานอาหารหรือต้องมาทำภารกิจอะไรบางอย่างถ้าเราอยากจะกลับเข้าสมาธิก็ควรพยายามลดภารกิจต่างๆให้มันน้อยลงให้มีเวลาเข้าสมาธิให้มากขึ้นเพราะการเข้าสมาธินี้มันเป็นความสุขที่แท้จริงของใจ การทำอะไรการหาความสุขอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นความสุขที่จีรังถาวรและเป็นการไปพบกับความทุกข์เวลาที่ไม่สามารถหาได้งั้นสู้เปลี่ยนวิธีหาความสุขกันดีกว่าถ้าเรารู้จักวิธีหาความสุขจากสมาธิแล้วต่อไปเราก็ไม่อยากจะหาความสุขแบบที่เราเคยหากันมาก่อนเพราะมัน สู้กันไม่ได้ น, นั่นเองความสุขที่ได้จากสมาธิมันดีกว่าความทุกข์ก็ไม่ค่อยมีจากการที่ได้จากสมาธิไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆบางทีมันแทนที่จะให้ความสุขมันกลับให้ความทุกข์กับเราก็ไดเ้เมื่อเราเห็นความแตกต่างเหล่านี้มันก็จะทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดปัญญาให้เห็นว่าความสุขที่แท้จริงก็คือความสงบความ สุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสได้จากลาบยศสารเสสนี้มันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงเพราะมันมีความทุกขตามมาอยู่เรื่อยๆอย่งนั้นต่อไปพอเราอยากจะไปหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปสเสียงกลิ่นรสเราก็<ว>หยุดมันได้เพราะเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองเห็นว่ามันเป็นตายลักพอเห็นว่ามันเป็นตายลักก็ไม่เอาดีกว่า อยากจะมีความสุขก็เข้าสมาธิดีกว่าต่อไปความอยากต่างๆที่จะไปหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากสิ่งนั้นสิ่งนี้จากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ก็จะหมดไปจากใจพอไม่มีความอยากคือทั้งความอยากทั้งสามที่มีอยู่ในใจมันหมดสิ้นไปคือกามะตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาหมดสิ้นไปความทุกข์ใจก็จะหมดไป เหมือนกั บ, อ, บอุบัติเหตุบนท้องถนนจะหมดไปถ้ารถยนต์ทุกคันหยุดวิ่งกันพอไม่รถยนต์ไม่มีการวิ่งกันนะทีนี้ไม่มีอุบัติเหตุที่มันมีอุบัติเหตุเพราะรถมันวิ่งกันวิ่งไปด้วยความเร็วความเร็วก็เกิดจากความอยากให้ไปถึงที่เร็วๆนั่นเองเลยแทนที่จะไปถึงที่มันกลับไปเจออุบัติเหตุไปไปถึงที่ที่ไม่อยากไปไปถึงกัน ก็คือไปโรงพยาบาลบ้างไปวัดบ้างแต่ถ้าทุกคนหยุดหยุดขับรถได้รับรองได้ว่าอุบัติเหตุบนทางถนนนี้จะลดลงเหลือศูนย์อย่างแน่นอนอันใดถ้าเราหยุดความอยากต่างๆได้ด้วยการปฏิบัติทานสิงภาวนาต่อไปความอยากต่างๆมันก็จะหายไปจากใจพอความอยากหายไปจากใจความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปหมด ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นใจที่พึ่งตนเองได้พอรู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ได้ด้วยตนเองแล้วเทนี้ไม่ต้องเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้ไม่ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสอนก็ได้พอรู้แล้วว่าวิธีที่จะกำจัดความทุกข์นั้นกำจัดอย่างไรนี่คือผู้ที่ใจที่สามารถพึ่งตนเองได้แล้วก็จะใช้อตตาหิอตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตอนเพราะถ้าพึ่งอย่างอื่นไม่ช้าก็เร็วก็อาจจะต้องพึ่งไม่ได้เราพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนนี้ก็ถ้าบางทีเราต้องเดินทางไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะเดือดร้อนได้แต่ถ้าเรารู้จักวิธีพึ่งตนเองได้ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่เราก็จะไม่เดือดร้อน เราจะรู้จักวิธีแก้ปัญหาแก้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราได้ตลอดเวลานั่นเองนี่คือที่พึ่งทางใจสองแบบด้วยกันคือพุทธังธรรมังสังคังสระนังกระชามิและอัตตาหิอัตโนนาโถก็ขอให้ท่านจงนำมาไป พ, พิจารณาและปฏิบัติตามสมควรแก่สภาวะของท่าน แล้วต่อไปความทุกข์ทั้งหลายก็จะหมดสิ้นไปจากใจอย่างแน่นอนการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเรวาหาปุราปาริปุเรนตีสาขังเอวะเมวะอิตโตชินังเปตานาังอุปกปปัปติ อิติตังปะทิต um ังตุมหังคิปะเมวะสะมิจโตสะเพปเรนโตสังกปาจันโทปนาราโสยธามาณิโชติระโสยธาสัพพิติโยมิวะจันโตสัพพารุโควินัสตุ มาเตผวะตวันตรายูสุขีทีขายุโกผวะอภิวาธนศีลิศานิจังวุฒาปจายโนจตารูธรรมวัฏานติอายุวันโนสุขังภาลั ลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็ให้เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทาง f a c e b o o สา4 9้อบ้าคนครับ YouTube 216สิบหคนครับวิทยุออนไลน์ยี่สิบคนครับ ผู้รับฟังบนเขาหนึ่งร้อยสี่สิบสองคนครับรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยี่สิบเจ็ดคนครับอาจารย์กับถามอาจารย์ครับพอดีว่ามีคนฝากมาถามว่าที่ประเทศสวิตสรลนนะครับเหมือนว่าจะมีการให้คุณหมอรับทำเกี่ยวกับการค่าตัวตายครับ <S S S S แล้ว เ, เคสนีนะ้เป็นเคสที่ เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะขยับร่างกายได้แล้วอะ uh ่ะ huh. แล้วเขาก็ตัดสินใจขอพ่อแม่เขาว่าเขาขอขอเหมือนให้คุณหมอฉีดยาให้เขาตายอ uh huh. แล้วทีนี้ก็เลยอยากสอบถามอาจารย์ว่าพอดีว่าเหมือนกับว่าเขาคิดว่าการที่เขาอยู่เนี่ยมันเหมือนกับว่าจะเป็นอสิ่งที่ลําบากกับพ่อแม่เขาหรือว่า uh huh. สร้างความทุกข์ยากกับพ่อแม่เขาเขาเลยเลือกที่จะไม่อยู่ครับเอออย่างนี้นี่จะ เป็นบาปขอตัวเขาเองหรือว่าบาปเพราะว่ามันเกิดวิพาวตันหาขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะไม่อยากจะอยู่เพราะกลัวจะไปเป็นภาระต่อผู้อื่นแล้วทําไมตอนที่เกิดมาเป็นภาระกับพ่อแม่ทำให้ไม่อยากตายวันนั้นนะเห็น <c oughs> ไ, ไหมพอมันหาความสุขไม่ได้มันก็เลยพานไปหาเรื่องนู้นเรื่องนี้เป็นเหตุ ตอนที่เป็นเด็กช่วยตัวเองไม่ได้ทําไมเป็นภาระกับพ่อแม่กับไม่อยากตายอ่ะตอนั้นตอนนั้นอยากอยู่เพราะมัญหาความสุขได้เอแต่แม้เป็นเด็กมันยังเล่นได้ยังกินขนมได้มันก็เลยไม่มีความทุกข์มันก็เลยยังไม่มีความอยากตายกันอแต่พอมันหาความสุขไม่ได้มันก็เลยอ้างเหตุอ้างนู้นว่าเป็นภาระของคนน้นคนนี้ขึ้นมาก็ปล่อยเขาเป็นภาระไปเสียเขาไม่ไม่อยากเป็นภาระเขาก็ไปเลี้ยงดูเราเอง ถ้ก็อยากจะเลี้ยงดูก็ถือว่าเขาได้ทําบุญกับเราเป็นประโยชน์กับเขาทีนี้มันความทรมานใจไงที่มันเกิดจากการไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้มันก็เลยไม่อยากจะอยู่แบบนั้นก็เลยอยากจะฆ่าตัวตายแต่การฆ่าตัวตายก็ไม่ได้ไปดับความไม่สบายใจมันความไม่สบายใจมันก็ยังติดไปกับใจของเราอยู่เพราะความอยากทั้งสา ม, มันยังไม่ได้รับการกําจัด วิธีที่จะกำจัดความไม่สบายใจก็ต้องทนอยู่กับสภาพนั้นไปแล้วพยายามอย่าไปอยากให้มันหนีจากสภาพนั้นไปอย่าให้เกิดวิภาวะตันหาขึ้นมาก็คือให้พยายามทําใจให้สงบพุทโธพุทโธไปอันนี้จะเป็นการแก้ปัญหาถูกจุดพูดง่ายๆแล้วต่อไปถ้าไม่มีวิภวะทันหาแล้วต่อไปจะไปแก่ไปเจ็บไปตายยังไงก็จะไม่ทุกข์ อยู่กับความแก่ได้อยู่กับความเจ็บอยู่กับความตายได้เนตตาถ้าไม่มีธรรมะ ก, ก็จะคิดอย่างนี้กันนะพอเมื่อไม่สามารถใช้ร่างกายได้ร่างกายกลายเป็นภาร ะ, ะก็เลยอยากจะกาจัดมันท่านั้นเองกาจัดร่างกายนี้แต่ความอยากจะมีร่างกายใหม่มันก็ยังไม่ได้ถูกกาจัดมันก็ไปเกิดใหม่ พอมันไปเกิดใหม่มันก็กลับมาเจอความแก่ความเจ็บความตายใหม่มันก็จะมาฆ่าตัวตายมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอบรถ้าฆ่าตัวตายครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะฆ่าตัวตายไปห้าร้อยครั้งเพรานี้คือวิธีแก้ปัญหาของคนที่ที่เคยแก้ปัญหาแบบนี้เขาก็จะแก้ปัญหาแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้ามาเจอาศาสนาพุทธแล้วเจอเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้า พระเจ้าบอกว่าให้มาภาวนามาทําใจให้สงบแล้วปล่อยร่างกายให้มันอยู่ไปตามสภาพของมันมันจะอยู่ก็อยู่มันจะตายก็ปล่อยมันตายไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปแต่ถ้าใจเราสงบแล้วใจจะเราจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายแล้วต่อไปเราก็จะไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกเพราะเราเบื่อเพราะเราเห็นโทษของการมีร่างกาย เราก็จะหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปหยุดกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาพอหมดแล้วทีนี้แก้ปัญหาแบบราบคาบแล้วเมื่อไม่มาเกิดแล้วทีนี้ก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายต่อไปทุกย่อมมีแต่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ทุกยังต้องมีต่อไปการแก้ปัญหาต้องมาแก้การไม่มาเกิด ถ้ามาแก้ด้วยการฆ่าตัวตายนี้มันแก้ด้วยความอยากอยากไม่ตายอยากอยากไม่อยู่อยากได้ร่างกายที่ดีกว่าร่างกายอันนี้ก็เลยฆ่าร่างกายอันนี้แล้วจะได้ไปเกิดใหม่จะได้ร่างกายอันใหม่แต่ก็ต้องมาเจอร่างกายเหมือนกันทุกร่างกายคือต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต่อไปเหมือนกันก็จะหนีไม่พ้นวงจรอุบาทอันนี้ก็จะฆ่าตัวตายทุกครั้งเวลาที่ ไม่สามารถแก้ความทุกข์ได้วิธีที่ถูกต้องก็จะแก้โดยวิธีไม่ถูกต้องาบางทีแก้ฆ่าตัวตัวเองไม่ได้บางทีก็ไปฆ่าคนอื่นใช่ไหมถ้าคนอื่นทำให้เราทุกข์อยู่กับมันแล้วทุกข์ก็เลยต้องหาวิธีกำจัดมันแหมผัวเมยเวลาเบื่อกันเวลาโกรธกันเกลียดกันนี่แต่ยังต้องอยู่ด้วยกันเดี๋ยวมันก็หาวิธีฆ่ากันเองมันฆ่าแต่มันฆ่าเพื่อที่จะได้มี มีโอกาสไปหาคนใหม่แล้วเดี๋ยวพอมันไปเจอคนใหม่ก็เจอปัญหาเก่าอีกอ่ะอง <c oughs> ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาต้องหยุดต้องหยุดความอยากแล้วจะได้ไม่ต้องไปมีร่างกายเมื่อไม่มีร่างกายแล้วทีนี้ก็ไม่มีปัญหาต่างๆตามมาอีกต่อไปแต่ทางตะวันตกหรือทางประเทศที่ไม่มีพุทธศาสนาเาเขาจะไม่เข้าใจหลักของจิตใจเขาไม่รู้ว่าจิตใจนี้ เป็นอย่างไรเขาคิดเพียงแต่ร่างกายอย่างเดียวแล้วคิดว่าความทุกข์ใจอยู่กับร่างกายพอร่างกายตายไปความทุกข์ใจก็จะหายไปแต่ไม่หายเ mm hmm. พราะมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย mm hmm. มันอยู่ที่ใจพระเจ้าก็ลองะลองอดข้าวดูอ mm hmm. ดข้าวแล้วคิดว่าความทุกข์ใจจะหายไปจากการอดข้าวมันก็ไม่หายความอยากกินข้าวมันก็ยังมีอยู่ ยังหิวอยู่นั่นนะวิธีจะก้ความอยากกินข้าวก็ต้องพิจารณาข้าวให้มันเห็นไม่น่ากินมันก็ไม่อยากกินเองตรงกลางพิจารณาเห็นข้าวเป็นที่เมื่อไหร่ก็ไม่อยากจะกินเมื่อนั้นนะแล้วก็จะไม่หิวอีกต่อไปเ <c oughs> ข้าใจไหมเขาถ้าเกิดว่าในทางปฏิบัติครับถ้าเกิดมีความคิดว่าเป็นมือนตัวเองเป็นภาระขึ้นมาหรือรู้สึกโศกเศร้าขึ้นมาอย่างนี้ครับอาจก็คือ คิดว่าม <börjar> ันเป็นแค่สิ่งที่มาหลอกหลอกใจเราเองก็เป็นภาระก็เป็นไปสิแต่เราไม่ไปขอเขาสักอย่างเราก็เป็นพระนี่เราก็ไม่เคยคิดว่าเป็นภาระกับใครใครไม่อยากจะเลี้ยงเราเราก็ไม่ว่าอะไรถ้าไปเบณฑบาตรทุกนี้ไม่มีใครใส่บาตรก็ไม่ก็ไม่เป็นปัญหาก็อดไปถ้าตายก็ตายไปไม่เห็นเป็นพระกับใครเราไม่ได้ไปบังคับใครให้มาใส่บาตรเราไม่ได้ไปบังคับใครให้เขามาเลี้ยงดูเราเราไม่ได้ไปสั่งเ้าเขาอยากจะทําก็เรื่องของเขา เขาทําเขาก็ได้บุญนะเขาได้ประโยชน์นะงั้นแสดงว่าถ้าเกิดเธอคิดว่าแบบเป็นลูกเนี่ยต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยครับเราเขาบอกว่าเขาไม่สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้อย่างนี้ก็ก็ก็สิ่งที่ก็อยู่ที่ว่าไม่สามารถจริงหรือไม่จริงอ่ะบางทีไม่สามารถเพราะไม่ว่างทํางานไปเที่ยวอย่างนี้อย่างนี้มันก็ไม่ไม่ถูกมันก็ต้องตัดสิ่งที่เราตัดได้เพื่อมาดูแลพ่อแม่เราสิแต่ถ้าเราอ้างว่าโอต้องไปเที่ยวต้องไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงผัวอย่างนี้ เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่ได้ยิ่งมันก็ไม่ไม่ถูกแล้วเพราะเราสามารถตัดของที่ไม่จำเป็นได้ไ ม, มาทำในสิ่งที่จำเป็นแต่ถ้าเราพิกลพิการนี้เราเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่ได้ก็อันนี้ก็เรื่องสุดวิสัยไปก็ไม่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเา้ารย์ไหมครับอาารก็มาบวชเป็นพระก็เลี้ยงดูพ่อแม่ใกล้ชิดไม่ได้ แต่ก็เลี้ยงดูได้ในระดับหนึ่งพอ่พอพระเจ้าอนุญาตให้ส่งอาหารให้พ่อให้แม่กินได้อาหารบิณฑบาตนี้ก็แบ่งให้พ่อให้แม่ได้ก็ทําไปตามอัตภาพของเราทําได้เท่าไหร่ก็ทําไปเมื่อทไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยไปดาบได้ถ้าเราไม่มีความคิดที่จะหลีกเลี่ยงภารกิจอันนี้ยินดีอยากจะทําแต่ก็ทําได้เท่าที่เราทําได้เท่านั้น ก็ถือว่าได้ทำเต็มที่แล้วอต่อไปเอ๊คุณมีพี่ชายคนนี้ไหมเมือ่อก่อนเดีย ว, อ เ, ยวเอ๊ไม่เห็นมีคนยังเค้นที่เป็นญาติกันหรือเปล่าไม่ได้ไปทำงานต่างประเทศหรออเอคนอย่างเงี้ยคนละคนอนันอถามได้คำถามจากทาง Youtube ครับ คนชินขอบมีทั้งหมดสี่คำถามครับพระอาจารย์ขอกราบเรียนถามพอาจารย์ข้อที่หนึ่งครับวิธีพิจรารณาดับความหลงในสัญญาขันครับผมก็สัญญาเรามันจาผิดใหญ่จำในสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่าเป็นตัวตนจําำในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงจําในสิ่งที่ทุกข์ว่าสุขนั่นเองคือสัญญาของพวกเราเห็นอะไรปั๊บก็ว่า นิจจังสุขขังอัตตาใช่เห็นหน้าตาสวยๆหล่อๆก็นิจจังสุขขังอัตตาเนี่ยจำผิดเดี๋ยวพอไปอยู่ด้วยกันถึงจะรู้ว่ามันไม่ใช่นิดจังสุขขังอัตตามันกลายเป็นทุกขังอนัตตาอันนิจจังทุกขขังอนัตตาขึ้นมาวิธีที่จะแก้สัญญานี้ก็ต้องคอยพิจารณามุมกลับอย่าไปดูมุมสวยมุมมองไม่สวยบ้างร่างกายมันสวยตลอดเวลาหรือเปล่า มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรอยังไงมันไม่เป็นซากศพ บ, บ้างหรือยังไงมันสวยสวยแต่ข้างนอกข้างในเคยดูบ้างรึเปล่าเคยมองเข้าไปใต้ผิวหนังบ้างรึเปล่ามไม่ดูกันนี่คือวิธีแก้สัญญาจากการเห็นสวยต้องมองในสิ่งที่ไม่ในส่วนที่ไม่สวยจากการที่มองเห็นว่ามันเที่ยงต้องมองในส่วนที่มันไม่เที่ยง จากการมองเห็นที่มันสุขต้องมองเห็นว่ามันไม่สุขมองในส่วนที่ไม่สุขมองส่วนที่เป็นทุกข์มองในส่วนที่ไม่ใช่เป็นของเราเวลามันไม่เป็นของเราแล้วเป็นยังไงเวลาเขาเป็นของเราเป็นยังไงเวลาเขาไม่เป็นของเราเป็นยังไงนี่คือวิธีกล้าสัญญาสัญญาเราตอนนี้เป็นมิจฉาพิธิทิฐิมองผิดไปมองตรงกันข้ามกับความเป็นจริง จำความจริงไม่ได้จำไบจำกับสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงจำอย่างเมื่อกี้เนี่ยจำคนนี้ผิดคิดว่าเป็นอีกคนหนึ่งเลยต้องถามดูถึงจะรู้ว่าเอาคนละคนกันข้อที่สองครับโปรโดเพตาอธิบายข้อทำเรื่องยานสามครับอาจารย์ไม่รู้เหมือนกันยานสามลองไปเปิดกูเก l e ดูดีกว่า รู้สึกวิปัสสนาญาณหรือเปล่าหรืออะไรยานไม่รู้เหมือนกันไม่มีหลายยานด้วยกันไม่ไ ม, ไม่ไม่มั่นใจไปลองค้นหาใน Google ดูได้ข้อที่สามครับทำไมในปฏิจจสมุปบาทไม่มีสัญญาครับปฏิจจส ม, มุปบาท mm hmm. ก็ตัวอวิชชาไกับตัวสัญญาตัวจำผิดไง อวิชชาไปจำว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นสุขรูปเสียงกลิ่นรสเป็นสุขมันก็เลยสั่งให้สังขารไปหาสั่งให้วิญญาณออกไปที่ตาเพื่อไปรับรูปเสียงกลิ่นรสมาจะได้เกิดสุกเวทนาขึ้นมาพอเกิดสุกเวทนาก็เกิดตัณหาอยากได้มากขึ้นไปเรื่อยๆพอเกิดตัณหาก็อยากจะเกิดอุปทานยึดมั่นในสิ่งที่ได้มาก็อยากจะให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆพอมันไม่อยู่ก็ไปหาใหม่ เกิดเปิดภาวะใหม่พอไปหาใหม่ก็ไปเกิดใหม่พอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปหาใหม่หาร่างกายอันใหม่ก็ไปเกิดใหม่พอไปเกิดใหม่ก็กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อย่างนี้อวิชชาปัญยาสังขารตัวสัญญานี่แหละคื อ, อวิชาคืออวิชชาคือสัญญาที่ผิดไม่ใช่สัญญาที่ถูกส่วนปัญญาคือสัญญาที่ถูก สัญญาที่ถูกก็คือเห็นว่าเป็นอนิจนาา bon นนจังทุกขังอนัตตาพอเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นลดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ไม่สั่งให้สังขารออกไปหารูปเสียงกลิ่นลดมันก็ไม่สั่งให้วิญญาณไปไปหาตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ไม่ไปออกไปหารูปเสียงกลิ่นลดมันก็ไม่ไปเสเวทนาที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นลดมันก็ไม่เกิดความอยากมันก็ไม่เกิดอุปทานมันก็ไม่เกิดพบมันก็ไม่เกิดการเกิด แก่เจ็บตายเออมันก็หยุดตรงนั้นหยุดที่อวิชชามาแก้สัญญาตัวเดียวกันแก้สัญญาจากการเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตามาให้เป็นเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าใจไหมออต่อไปข้อที่สี่ครับวิญญาณขันของอดีตพระพุทธเจ้าและพระอรหันยังทํางานเหมือนทั่วไปหรือ ไม่ครับกราบขอบพระคุณครับอาจารย์อันนี้ความจริงต้องไปถามพระพุทธเจ้าเองจะดีกว่าแต่ถ้าเราให้เราพูดตามภาษาคนชอบเดาก็บอกว่าท่านก็ยังมีขันอยู่เพราะว่าจิตของทุกดวงไม่ว่าจะเป็นของพระพุทธเจ้าหรือปุถุชนก็มีนามขันเหมือนกันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันเพองแต่ว่าของพระพุทธเจ้ามันไม่มีความอยากผัดดันไม่มีอวิชชาผลักดันมันก็เลยไม่ทํางาน แต่ถามว่าจะทํางานได้ไหมก็ได้เพราะว่ามีปรากฏการณ์ที่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่ามีพระพุทธเจ้าองค์นั้นพาอาหารองนี้มามาสนทนาธรรมด้วยก็แสดงท่านก็ต้องใช้สัญญาสังขารถึงจะสามารถส่งกระแสจิตมาติดต่อกับจิตของผู้อื่นได้ยังแต่ถ้าท่านไม่มีเหตุท่านก็ไม่ไม่ทำงานอยู่เฉยๆได้ท่านสามารถหยุด เวทนาสัญญาสังขารได้หรือสั่งให้มันทํางานได้เหมือนกับมีรถยนต์เนี่ยสมัยก่อนเรามีรถยนต์เราต้องใช้รถยนต์ทุกวันเราก็ต้องขับมันทุกวันพอเราตกงานไม่มีธุระ ต, ต้องออกนอกบ้านเราก็จอดรถเฉยๆอยู่บ้านเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าน้ํามันใช่ไหมรถมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมรถมันก็ไม่ได้หายไปไหนพระพุทธเจ้าพาาระอรหันต์นี่ท่านฆ่ากิเลสให้หมดไปจากใจแต่ท่านไม่ได้กําจัด รูเ ว, วทนาสัญญาสังขารวิญญามันกำจัดไม่ได้มันเป็นของที่อยู่คู่กับใจมาตลอดเพียงแต่ว่าท่านจะใช้มันหรือไม่ใช้มันเท่านั้นเองเําถามจากทางเฟ e บ o o k นะคะจากคุณจิรายุน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ครับความทุกข์ที่เกิดจากการไม่ต้องการเวียนว่ายตายเกิดถือเป็นกิเลสไหมครับ ถ้าเป็นทุกข์ก็เป็นกิเลสแต่ถ้าไม่เป็นทุกข์มีความสุขที่ว่ารู้ว่าการมาเกิดไม่ดีต้องไปปฏิบัติทำเพื่อหยุดความการมาเกิดนี้อันนี้ก็ไม่เป็นทุกข์ความอยากปฏิบัติเพื่อหยุดการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไม่เป็นกิเลสแต่ถ้าอยากแล้วไม่ปฏิบัติแล้วมันยังต้องเกิดอยู่มันยังทุกข์อยู่อันนี้ก็เป็นกิเลสได้อยากแล้วต้องเอาไปปฏิบัติให้ได้ ต้องไปบวชต้องไปปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าให้ได้คำถามจากคุณมีจังค่ะถ้าเราไม่สะดวกไปถือศีลที่วัดแต่เราตั้งสัจจะว่าจะปฏิบัติเองที่บ้านสี่วันทาเหมือนอยู่ที่วัดทุกอย่างเราจะได้บุญไหมคะก็อยู่ที่ว่าเราได้ผลหรือเปล่าเนียบุญบุญจากการปฏิบัติคือผลที่ได้จากการปฏิบัติ ใจเราสงบเราก็ได้ผลเราก็ได้บุญเพราะความสงบก็คือความสุขความสุขใจก็คือบุญนี่คำถามจากคุณวิสาขาค่ะกราบนามัสการพระอาจารย์อยากถามว่าพอปฏิบัติกรรมฐานไปเรื่อยๆทําไมถึงรู้สึกกลัวความตายทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ได้คิดเจ้าค่ะก็เพราะเวลาไม่ได้คิดมันก็ไม่กลัวเลย พอไปคิดถึงมันมันก็กลัวเราไม่ตั้งใจคิดแต่กิเลสมันพาให้เราคิดได้เพราะฉะนั้นแสดงว่าจิตเรายังไม่มีความสงบพอที่จะทำให้ไม่กลัวเงี้ต้องฝึกสติให้มากขึ้นทำจิตให้สงบเป็นอุเบกขาแล้วต่อไปเวลาคิดถึงความตายจะไม่กลัวคำถามจากทาง YouTube เจ้าค่ะคุณประกายจิตกราบนรมส ก, การพระอาจารย์ ขอถามพระอาจารย์ว่าคนที่เลี้ยงไก่ขายและก็ฆ่าด้วยพอมีคนบอกว่าสงสารไก่เท่านั้นเขาก็โกรธมากพวกเขาด่าคนเตือนเขาแบบนี้เขาจะได้กรรมอันใดเจ้าคะ อ, อ๋อกรรมหลักก็คือการฆ่าไก่มันก็เป็นกรรมหลักแล้วส่วนการที่เขาไปโกรธคนที่มามาบอกเขาว่าเป็นบาป อันนี้ก็จะเป็นกรรมที่คอยปิดบังปิดกั้นไม่ให้เขาเลิกทำบาปคำถามจากคุณภัยทูลค่ะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ครับอยากให้พระอาจารย์บอกเกี่ยวกับการอุทิศบุญให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเทพที่รักษาสัตว์เปรตหรืออื่นๆที่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาครับเกือบ ดวงวิญญาณที่จะมารับผลบุญได้นี้ต้องเป็นอยู่ในภาวะของเปรตเท่านั้นถ้าเป็นอย่างอื่นมารับไม่ได้ถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ไปทำบุญเองได้ไปเป็นเดรัจฉานก็ไปหากินเองได้มีเปรตเท่านั้นที่ไม่สามารถที่จะหาบุญเองได้ถ้าเป็นเทพก็มีบุญติดตัวไปถ้าเป็นนสุรกายก็มีแต่ความทุกข์ ครอบ้อมจิตใจจนทําให้ไม่สามารถที่จะไปเห็นไปขอบุญจากใครได้ถ้าตกนรกก็เหมือนกันเหมือนติดคุกติดตารางออกมาขอบุญไม่ได้มีพวกที่ขอบุญได้พวกเดียวก็คือพวกเปรตเย่นถ้าดวงวิญญาณของผู้ที่ตายไปไปเป็นเปรตเราก็จะอุทิศบุญเขาก็จะได้รับบุญได้ถ้าเขามารอรับบุญต้องให้เขามารอรับแล้วเราต้องให้เขา ถ้าเราส่งไปแล้วเขาไม่รอรับเขาก็ไม่รับเขาก็ไม่ได้รับเพราะเราไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนเนีเขาไปทําอะไรบางทีเขาตายแล้วเขาไปเป็นเทพเขาก็ไม่ต้องมารับวิธีที่อยทิศบุญก็ไม่ต้องใช้น้ำใช้การทําบุญต้องมีบุญก่อนถึงโยธิธิบุญได้เหมือนก่อนที่จะโอนเงินจากบัญชีธนาคารไปอีกธนาคารหนึ่งได้ต้องเอาเงินไปฝากในบัญชีก่อนถ้าในธนาคารมีศูนอย่างนี้แล้วบวกขอโอน แสนหนึ่งให้กับบัญชีนี้โอนไม่ได้เน้นต้องเอาเงินเข้าบัญชีก่อนเราก็ต้องทําบุญก่อนวิธีทําบุญที่เร็วที่สุดสะดวกที่สุดก็คือถวายทานทําบุญทําทานใส่บาทอะไรทํานองนี้เราก็จะเกิดบุญบุญก็จะเข้าบัญชีเราเข้ามาในใจเรา พอบุญเข้ามาในใจเราแล้วเราก็ส่งบุญนี้ต่อไปให้กับผู้ที่รอรับได้ด้วยการระลึกภายในจิตไม่ต้องใช้น้ําไม่ต้องใช้อะไรพอทําบุญเสร็จใส่บาตปุ๊บนี้บุญเกิดปั๊บก็อาทิศได้ทันทีเลยไม่ต้องรอให้ผ้ามายะถาสัพพีไม่ต้องหาน้ํามาเทให้ระลึกภายในใจว่าขอให้ระลึกขอให้ให้บุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้ทําในวันนี้ จงเป็นสมบัติของท่านผู้นั้นผู้นี้ถ้าท่านรอรับอยู่ก็ขอให้โปรดมารับไปด้วยเถิดนี่ก็เรียบร้อยพระไม่เกี่ยวน้ำไม่เกี่ยวของพวกนี้เป็นของที่เขาเอามาผสมเหมือนผักชีโรยหนะ้าให้มันดูแล้วมันสวยงามอาหารบางทีมีเนื้อเปล่าๆดูแล้วมันไม่น่ากินถ้ามีผักชีสีเขียวๆหน่อยมี ม่เขือเทศสีแดงๆหน่อยมาโปะไว้บ้างมันทําให้เห็นแล้วโอ๊ยน่ากินขึ้นมาแต่ไม่มีก็กินได้เพราะเราไม่กินผักชีแล้วไม่กินอะของที่มาประดับเรากินเนื้อใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเราทําบุญเราเอาบุญเราไม่ต้องเอาน้าไม่ต้องเอาพระมาเกี่ยวข้องด้วยคําถามจากคุณแสงค่ะกราบขอเรียนถามการที่จะบรรลุธรรม จำเป็นต้องผ่านการเดินจงกรมไหมคะหรือเป็นอีกทางให้ใจสงบมีสติคะเ อ, อ่อมันเป็นอีกทางหนึ่งไม่จงกรมกันถ้าขาถ้าเป็นคนพิการมันจะไปจงกรมได้ยังไะคนพิการก็ฝึกสติด้วยวิธีอื่นพุทธโธพุทธโธไปนั่งพุทธโธพุทธโธไปดูลมหายใจไปมันก็ได้สติได้ความสงบเหมือนกันคำถามจากคุณจุลาภรคะ่ะ กราบนมัส ก, การขอเรียนถามพระอาจารย์โยมกราบพระสวดมนต์จบแล้วก็อธิษฐานขอพรให้มีความสุขกายสบายใจทำมาค้าขึ้นลูกๆให้เป็นคนดีเรียนหนังสือเก่งๆมีความกตัญญูทำแบบนี้เป็นประจำแต่พอได้ฟังหลวงพ่อเทศมีความรู้สึกว่าตนเองกำลังวิงวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กราบขอความกระจ่างด้วยเจ้าค่ะกําลังงมงานเพราะไม่ศึกษาทำคําสอนว่าการกระทําแต่ละอย่างจะให้ผลอย่างไรเหมือนไปซื้อหุ้นบริษัทแต่ละบริษัทไม่ดูแต่ละบริษัทเขาจะให้ปันผลอย่างไรก็ไปนั่งฝันว่าขอให้ได้ปันผลเยอะๆบางทีไปซื้อหุ้นที่มันไม่ให้มีปันผลเลยมันก็ไม่ได้เราต้องศึกษาวิธีการสร้างบุญต่างๆว่าสร้างอย่างไรเราอยากจะได้อะไรเราก็ต้องไป ดูว่าวิธีที่เราทํานี้มันทําให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็อย่าไปขอให้เสียเวลาการไหว้พระสวดมนต์นี้สิ่งที่เราได้คือสติได้สมาธิได้ความสงบได้ความสบายใจไม่ได้เงินทองไม่ได้เกี่ยวข้องกับลูกสามีภรรยาของเราเขาจะดีเขาจะชั่อมันไม่ได้เกิดจากการไหว้พระสวดมนต์ของเราเเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราทําจะทําให้เราได้อะไร เหมือนปลูกต้นไม้ปลูกข้าวแล้วอย่าไปขอให้ได้ส้มให้ได้มะละกอให้ได้ทุเรียนมันเป็นไปไม่ได้หรอกปลูกข้าวมันก็ได้แต่ข้าวอย่างเดียวใช่หไหมพอปลูกข้าวเสร็จก็นั่งจุดทุ่งเทียมขอขอให้เป็นมะละกอนะขอให้เป็นสับปะรดนะขอให้เป็นกล้วยนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องเป็นข้าวอย่างเดียวเพราะปลูกข้าวมันก็ต้องได้ข้าว ต้้้อองงไไปศึกกษาาาาดววยว่่่สิททีเเรรรมัันใหผละบคำถามจากคุณวีรศักดิ์ค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับคือผมอยากจะเรียนกรรมฐาน40ที่บอกการระลึกถึงเทวดาระลึกถึงแบบไหนครับถึงจะถูกต้องถ้าเราไม่รู้จักเทวดาก็ใช้ไม่ได้อันนี้สำหรับคนที่เคยเจอเทวดาแล้วมีความสุขกับเทวดามาก็ใช้การระลึกถึงเทวดา ถ้าเรามีความสุขจากการได้พบปพระพุทธเจ้าเราก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าเรามีความสุขจากการได้พบพระอริยสงสาวลกเราก็ระลึกถึงพระอริยสงสาวกไปเราต้องรู้จักสิ่งที่เราจะระลึกถึงถ้าไม่รู้จักระลึกไปมันก็ไม่เข้าใจมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรขึ้นมาคาถามจากคุณสุเมศค่ะในพระวินัยมีข้อห้ามพระสงฆ์ห้ามรับปัจจัย แต่ในปัจจุบันมีพระหลายท่านรับปัจจัยกราบขอความเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยครับคือท่านไม่ให้ถือปัจจัยเป็นของตนถือว่าเป็นปัจจัยของญาติโยมเอามาให้ใช้สอยเวลาอัตคัดขัดสนขัดสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีพของพระคือสั ม, มณบริโภคเช่นปัจจัยสีอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเป็นต้น แต่ไม่ให้ครอบครองเก็บไว้เป็นสมบัติของตนให้ฝากไว้กับบุคคลที่เชื่อถือได้ให้เขาเป็นผู้ดูแลรักษาแทนให้แล้วเวลาต้องการก็บอกบุคคลที่เชื่อถือให้เขาไปช่วยจัดการหาสิ่งที่จำเป็นมาให้อันนี้รับได้แบบนี้แต่ไม่ให้รับแบบใส่กระเป๋าใส่า ย, ย่ามแล้วก็ไปเดินชอปปิ้งแถวศูนย์การค้าต่างๆอยากซื้อมือถือรุ่นไหนก็เลือกซื้อเอาอย่างนี้ ไม่ให้รับเงินทองแบบนี้รับได้รับแล้วถ้าไม่ใช้เองเอาไปทำบุญต่อก็ได้อันนี้ไม่ได้ห้ามเข้าใจไว้นะแต่ไม่ให้ไม่ใ ห, ไให้ไม่ให้ครอบครองไม่ให้พกพาด้วยตนเองให้รับแล้วก็เอาไปฝากกับผู้ที่ไว้ใจได้เวลาที่ต้องการเอาไปทำประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้เขาช่วยจัดการให้ คำถามจากคุณสุเมศข้อที่สองเจ้าค่ะหากพี่น้องในครอบครัวทะเลาะกันเราควรจะจัดการอย่างไรระหว่างปล่อยให้เหตุนี้ดําเนินไปหรือเข้าไปไกลเกลีย่ยให้ปองดองกันควรใช้ธรรมะข้อไหนครับก็ใช้หลายขอ้อไลข้อแรกถ้าเข้าไปไกลเกลีย่ยได้ก็ไกลเกลีย่ยไปข้อที่สองถ้าไกลเกลีย่ยไม่ได้ก็หยุดก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขา ก็ต้องดูว่าเรามีปริมีที่จะไปไก่เกลี่ยให้เขาเลือกได้ไหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ก็อย่าไปทำอะไรเ้าปล่อยให้เขาว่ากันไปเดี๋ยวเขาก็เหนื่อยเขาก็หยุดกันเองไม่มีการสู้รบไม่มีวันสิน้นมันมีวันสิ้นสุดพอมันเหนื่อยกันทั้งสองฝ่ายปากปากเปียกปากฉีกกันแล้วมันก็หยุดไปเองเอาข้อสุดท้ายนะคำถามจากคุณสุกัญญาเจ้าค่ะ กราบนมัส ก, การพระอาจารย์ขอความเมตตาครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าเคยตัดเรื่องน้ำปัสสวะแก้โรคต่างๆได้จริงหรือไม่เจ้าคะจริงก็สมัยนี้ชาวอินเดียก็ยังดื่มกันอยู่นายกอทัลมนตีอินเดียยังดืม่มองคนก่อนไม่ใช่คนนี้นะแกก็ยังดื่มน้ำปัสสวะทุกเชา้าเป็นเหมือนยาอายุวัฒนะช่วยรักษาสุขภาพร่างกาย เพราะว่ามันมีสารอะไรที่ยังมีประโยชน์อยู่น้ําปัสสาวะที่เราดื่มมันก็ออกมาจากร่างกายแเรามันก็ขับถ่ายทั้งสารที่มีคุณมีประโยชน์นี่ท่านก็เอากลับมาดื่มยังใช้ได้เหม่รีไซเคลิลเนี่ยเป็นการรีไซเคิลน้ำประหยัดน้ําไปลดค่าใช้จ่ายเรื่องต้องซื้อน้ําดื่เอาแล้วเนะีวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา